ในสวรรค์มีพิธีบวชพระหรือไม่อาจารย์สิริพุทสุขผู้แปลนหนังสือชุดโลกทิพย์คือ Life in the World unseen เป็นต้นได้ขอร้องข้าพเจ้าให้ช่วยเรียนถามเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งว่าในสวรรค์จะมีพิธีบวชพระเหมือนกับในโลกมนุษย์หรือไม่เพราะปรากฏว่าในโลกของโอปะปะติกะก็มีนักบวชในศาสนาทุกศาสนาเช่นสมมติว่า ถ้าคารวะคนไหนในโลกของโอปปปาติกะเกิดมีศรัทธาอยากจะบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาจะต้องมีพิธีบวชคือมีอุปชามีคู่สวดมีพระอันดับอย่างนี้เป็นต้นเพราะปรากฏว่าในโลกของโอปปปาติกะก็มีโบสถ์ในพระพุทธศาสนาอย่างแบบในโลกมนุษย์เหมือนกันสำหรับปัญหาข้อนี้ สมเด็จอุปชาของข้าพเจ้ากับเท พ, พเจ้าองค์ที่เคยตอบมาในตอนที่ผ่านมาได้ร่วมกันให้คำอธิบายดังต่อไปนี้จากที่ท่านเคยเห็นและเท่าที่รู้ไม่ปรากฏว่ามีพิธีบวชไม่ว่าในลัทธิศา ส, สนาใดๆท่านเคยตอบมาแล้วว่าถ้าหากคนไหนเป็นพระในขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์จิตใจก็เป็นพระจริงๆ ในเมื่อตายในขณะที่เป็นพระก็จะได้ไปเป็นพระอยู่ในโลกของโอปปาติกะแม้คารวะบางคนในโลกมนุษย์ที่มีจิตใจถึงความเป็นพระมีศรัทธานในความเป็นพระเมื่อตายไปก็จะได้ไปเป็นพระอยู่ในโลกนั้นโดยไม่ต้องผ่านการทำพิธีบวชและถ้าหากโอปปาติกะที่เป็นคารวะคนใดจิตใจถึงความเป็นพระและต้องการจะเป็นพระ จะยังไม่เป็นพระทันทีต่อเมื่อวิบากที่จะอยู่ในภูมินั้นหมดแล้วก็จะจุติแล้วก็จะไปเกิดในโลกของโอปปาติกะในภูมิที่มีแต่พระท่านบอกว่าในโลกของโอปปาติกะนั้นวิบากของกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพิธีกรรมต่างๆไม่มีความหมายไม่อาจจะทำให้คนเป็นอะไรขึ้นมาได้ถ้าหากวิบากไม่มี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 การที่จะกลับไปยังภูมิของท่านจึงไม่ใช่เป็นการยาก